อ้าอยากจะสอนก็สอนเขาแต่ทําไมต้องไปแบกกิเลสเขาฟังดูให้ดีนะทําไมต้องไปแบกกิเลสเขาไม่เหต้องแบกกิเลสเขาเขาทาไม่ดีบาปกรรมก็เป็นของเขาบาปกรรมไม่ได้เป็นของเราเนแต่พอเราโกรธเราไม่ชอบใจคราวนี้แหละเราเอากิเลสเขามาแบกกลายเป็นกิเลสเราเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะอันคราวนี้ก็หนักสิเพราะแบกทั้งกิเลสตัวเองด้วยแล้วก็แบกทั้งกิเลสเขาด้วยน้ะกําลังสองเลย ก็หนักเพราะจริงๆเนี่ยแค่ตัวเราเองแบกแค่กิเลสเราเองก็หนักมากพอแล้วมันไม่ต้องเที่ยวสแสวงหานะมันบางคนเนี่ยเที่ยวเห็นใครเห็นไอ้นนท์เห็นไอน้ น, นี่ไม่พอใจเห็นนั่นอึดอัดนะเห็นไอ้นนท์ก็ดูซิทำอย่างนี้อีกแล้วนะแล้วก็โมโหหงุดหงิดอยู่เรื่อยจะมาเฮ้ยเรื่องอะไรเราจะไปแบกกิเลสคนอื่นเขาทำไมกิเลสเราก็จะแย่อยู่แล้วบางทีนะ แทบจะกระอักเลือดตายแบบจิ๋วจี่อยู่แล้วแหมยังเที่ยวไปโอ้โหคนโน้นทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคนนั้นทําไม่ดีอย่างงน้นนะโอ้โหเดี๋ยวตายตายก่อนกําหนดนะ <c oughs> จริงๆอาจจะมีอายุยืนนะแต่ปรากฏว่ามัวไปแบกกิเลสคนอื่นมากเลยตายก่อนตายก่อนกําหนดเพราะว่ามนภาวะเป็นพิษตอนนี้เนี่ยพอ พระดาพอพระดาบทใชไมเหรอลอยขึ้นไปเนี่ยเบาสบายให้เห็นเนี่ยให้เห็นถึงการเป็นอิสระนะแล้วเบาจากกิเลสได้นะแล้วก็โปรยฝุ่นลงมาฝุ่นนี่ก็เป็นเหมือนกับกิเลสนั่นเองใช่หไหมฝุ่นที่เท้าเนี่ยนะตอนนี้ฝุ่นเนี่ยก็ตกลงไปหัวที่หัวของพระราชานะก็เหมือนกับกิเลสนี่สมหัวเต็มไปหมดนะพระราชาเนี่ยนะอา่า เพราะฉะนั้นบอกว่าดูสิหัวตัวเองเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นมันน่าที่จะทำความสะอาดมันน่าที่จะเอากิเลส ข, ของตัวเองออกมากกว่านะแล้วมันจะเบาสบายถ้ฝุ่นเต็มหัวเต็มหูอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วะมันจะแย่เอานะก็เนี่ยเป็น เ, เครื่องเตือนใจให้พระราชานะจากนั้นดาบทก็เหาะไปยังป่าหิมาพานของตนทันที ฝ่ายพระราชาทอดพระเนตรดูพระดาบทนั่นไปแล้วเกิดความสังเวชสรดพระไทย ก, ก็รู้สึกตัวได้อยู่เหมือนกันนะก็เลยสังเวชสังเวชนี่ก็คืออาการที่สังเวชนี่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับอะไรนะหดหูคอเคียวอะไรนะไม่ใช่นะสังเวชนี่คืออาการที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราเกิด ความรู้เราเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าเออสิ่งนี้มันน่าสงสารสิ่งนี้มันเป็นทุกข์สิ่งนี้มันเป็นสภาพที่เรียกว่ามันไม่ดีอะไรเ ง, งี้ยเป็นสมาร์เป็นสภาพที่เศร้าหมองใจนะอย่างนี้อย่างนี้คือคือสังเวชนี่มีความรู้อยู่มีความรู้สึกอยู่รู้อยู่ด้วยว่าว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พราะอยงง่างนี้นะไม่ใช่โหทูหอเฮียวเศร้าโศกเสียใจอ้ อ, อย่างนั้นเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเดียว นาะรู้สึกอย่างนั้นเป็นอกุศลแต่สังเวชนี่เป็นความรู้สึกที่ที่เป็นกุศลที่สามารถที่จะรู้รู้ได้ถึงความที่ว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเออมันเป็นสภาพอย่างนี้เพราะงั้นก็เลยเลยเกิดความรู้สึกว่าสังเวชขึ้นมาเพราะนันพอเกิดอาการสังเวชนะพระไทยขึ้นมานี่ก็ยกราชสมบัติให้แก่ราชโอรสองค์ใหญ่ รัสสั่งให้พลรณิกายกลับไปองก็ให้แบบว่าให้พวกขา้าราชบริพารนี้กลับวางไปหมดแล้วบ่ายพระพักเสด็จไปยังหิมวันตประเทศเพียงพระองค์เดียวเมื่อพระดาบททรงทราบการเสด็จมาของพระราชาแล้วก็จริงๆกว่ากว่าพระราชาจะเดินทางไปถึงก็คงนานนะ น, นะพอพระดาบทรู้เข้าใช่ไหมว่าพระราชามาถึงป่าหิมพานแล้ว ก็แวดล้อมด้วยหมู่หมู่ดาบทเป็นบริวารก็มาต้อนรับพระราชาให้ทรงผนวดแล้วสอนกรสินบริกรรมบำเพ็ญฌานและอภิญญาให้เกิดให้เกิดขึ้นพระดาบททั้งสองได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยประการชนีพระาศาสดาคั้นนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วก็ตัดว่าดูกรภิกษุทั้งหลายโบราณบัณฑิต แม้จะท่องเที่ยวไปสามสี่ภพนะสสี 3, ่ภพในะที่นี้ก็หมายถึง 3-4 มสชาติก็ยังเป็นผู้มีความคุ้นเคยรักให้สนิทสนมมั่นคงอย่างนี้โดยแท้สัมภูตตาดาบทในครั้งนั้นได้มาเป็นพระ อ, อนนทในบัดนี้ส่วนจิตตดาบทได้มาเป็นเราตถาคตวันจริงๆแล้วเนี่ยใครเคยจำได้ที่ที่เคยมี คําพูดบอกว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนเป็นรวมเป็นคือญาติรวมเป็นพี่น้องมาด้วยกันทั้งสิ้นแม้แต่ไม่ใช่คนนะ่ยแม้แต่สัตว์โลกเนี่ยสัตว์โลกนะทุกชนิดเนี่ยแหละไม่ใช่บางชนิดนะเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจว่าสัตว์บางชนิดพระเจ้าท่านใช้สัตว์โลกเลยสัตว์โลกนี่คือสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้จริงๆแล้วล้วนเคย นั่นแหละไม่ว่าจะยุงมดปลวกนอนแมลงอะไรต่างๆเนี่ยนะเคยเป็นพี่น้องเคยเป็นคือญาติเคยเป็นพ่อแม่เคยเป็นลูกเมียภรรยาสามีมาแล้วทั้งงานงา น, น, นจะต้องมีส่วนมาแล้วทั้งนั้น <c oughs> ถูกโดยไม่เจตนา <c oughs> <c oughs> อ๋อถูกมันโดยไม่เจตนาแล้วมันก็ตายแสดงว่ามันไม่ใช่คือญาติเราเลย อ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็เป็นทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าจริงๆคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสว่าเราไม่รู้เบื้องต้นเลยซ้ําไปว่าเราเกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติเราไม่รู้นะยิ่งยิ่งบางทียิ่งยุงยิ่งมดยิ่งอะไรอะ่ะแมลงที่มันอายุสั้นๆอย่างเงี้ยบางทีมันวันนึ่งก็ตาย2วันก็ ตายอะไรเงี้ยเจ็ดวันมีชีวิตอยู่เจ็ดวันแล้วก็ตายเงี้ยคิดดูสิมันกี่ชาตันะ่ะใช่ไหมโอ้โหว่าจะนับไปจนโลกเรานี่มันเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยล้านปีอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหวไม่รู้ัะกี่ชาต์นะเพราะจริงๆตอนนี้เราก็ไม่ได้หมายความว่าทุกชาติเกิดมาเราเป็นคนหมดทุกชาติเมื่อไหร่ดูอย่างเรื่องเนี้ยเห็นไหมบางทีก็ได้เกิดเป็นคนบางทีก็เกิดเป็น เนื้อไปเกิดเป็นเหี่ยวมีชาดกเรื่องอะไรอ่ะอสกะชาดกอ่ะใช่ไหมที่ไปเกิดเป็นหนอนเนีนอนในกองในกองขี้ขี้ควายอ่ะขี้วัวนะใช่ไหนอนโคไมไง น, นอนขี้วัว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเรื่องนั้นอ่ะชาดกเรื่องนั้นผู้เจ้าทางกระตัดเห็นไหมเราไม่รู้เลยว่าเราไปเกิดเป็นนอนบ้างหรือเปล่า เพราะนั้นแล้วเรื่องเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีโอ้โฮมันยากที่เราจะรู้เราจะเข้าใจได้ยกเว้นว่าใครเนี่ยที่มีการสั่งสมบุญบารมีจริงสามารถระลึกชาติได้จริงคนนั้นก็จะรู้ได้จริงๆว่าเออตัวเองเป็นยังไงบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถระลึกย้อนได้หมดเลยขนาดพุทธเจ้าเองเนี่ยพุทธเจ้ายังบอกว่าเรายังไม่รู้เลยว่าโลกนี้เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เบื้องต้นนะตั้งแต่เมื่อไหร่ คิดดูพผู้ชายังระลึกย้อนไปถึงถึงเบื้องต้นของโลกยังไม่ได้และที่สุดของโลกท่านก็บอกยังไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะไปสิ้นสุดโลกนี้ท่านก็บอกว่าไม่รู้อีกท่านก็พูดตามความจริงเพราะฉนั้นเรายังเนี่ยถ้าตาบใดเรายังไม่ถึงขั้นเป็นพระอาหารหันต์แล้วเราคิดว่าจะปรรลุนิพพานได้นะตาด้านน่ะ เ, เรายังไม่รู้อีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติที่พ่อท่านชอบใช้คําว่าล้านล้านล้านลล้านล้านล้านล้ไปเรื่อยๆนะ น่าจะจริงๆเลยนะแต่ว่าเราเองนะ ว, ว่าเออเราจะรู้ถึงแล้วเราก็จะเข้าใจถึงเข้าใจนี่หมายถึงเข้าใจถึงจิตนะถ้าเราเข้าใจถึงจิตจริงๆเราคิดจริงๆเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเราคงจะเบื่อหน่ายกิเลสแน่ๆเลยถ้าเราคิดจริงๆนะเราคงจะเกิดความเบื่อหน่ายกิเลสพระอระหันต์จะรู้เลย ว่าตัวเองเป็นยังไงมาอ๋ อ, อมไม่ไม่ไม่ไม่แล้วแต่นะบุพเพเนี่ยว่าว่าตัวเองเนี่ยเกิดชาติโน้นชาตินี้นแล้วแต่พระอราหันต์รูปนั้นๆเพราะว่าบางรูปท่านอาจจะระลึกชาติอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าท่านบุพเพเรื่องเรื่องกิเลสท่านได้แต่ว่าชาติชาติที่แล้วท่านเกิดเป็นอะไรอะไรเงี้ยบางทีท่านไม่รู้หรอกอ่าท่านไม่ได้มีฤทธิ์อย่างนั้น แต่เรื่องกิเลส ท, ที่กำลาบนี่ท่านมีฤทธิ์แน่ทำกำลาบได้แน่นะท่านหมดกิเลสในชาตินี้แน่นอนแล้วท่านจะไม่เกิดอีกท่านจะดับศูนย์ไปเลยก็เป็นเรื่องของท่านเพราะฉะนั้นมีทั้งที่เรียกว่ามีฤทธิ์ก็ได้มีฤทธิ์ที่จะบุพเพนิวาสานุสติอย่างนี้ก็ได้นะร ะ, ะลึกชาติเก่อๆไปก็ได้แต่ว่าไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีนี่ต้องมีแบบของพุทธอย่างที่ตะกี้บอก กำหนดอะไรนะกำหนดไปเกิดก็ในเมื่อท่านสามารถที่จะกําหนดได้ว่าท่านจะตายก็ได้จะเกิดก็ได้อันนี้เป็นความเข้าใจของอาตมาเองอาตมาเคยบอกเคยพูดไปทีแล้วว่าใจของอาตมานี่ต้องใช้คําว่าเดาว์นะอาตมาเด า, เด า, ว, เดา ว, ว่าท่านกําหนดได้เพราะในเมื่อท่านบังคับจิตท่านได้แล้วอะ่ะถ้าบังคับจิตวิญ ญ, ญาณท่านได้แล้วอะ่ะเพียงแต่ว่า รูปไหนท่านเก่งมากท่านจะอา จ, จกําหนดได้แม่นหน่อยรูปไหนที่ท่านเก่งไม่มากท่านอาจจะกําหนดได้ไม่แมนะ่นนกแต่ว่าท่านกําหนดได้แน่นอนไม่อย่างนั้นท่านจะบังบังคับวิญญาณท่านได้ยังไงอะว่าอา้าวให้เกิดก็ได้ให้ศูนย์ก็ได้ท่านจะบังคับได้ยังไงหรือว่าอย่างพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยใช่ไหมพระโพธิสัตว์อะอ้าวยุคนู่ยุค น, น, นี้ไม่เกิดนะไม่เกิดยุคนั้นนะอะไรเงี้ยท่านจะ ก, กําหนดได้ยังไง ใช่ไหมวา่านท่านต้องกาหนดได้ท่านถึงจะสามารถที่จะบังคับอย่างนั้นได้เพียงแต่ว่าอาตมาเองก็เข้าใจตามภาษาอาตมาว่าก็แล้วแต่ความเก่งของแต่ละรูปท่านด้วย <c oughs> แต่ตอนนี้พูดถึงความเกิดความเกิดจริงๆเนี่ยเท่าที่เราศึกษากันมาความเกิดมีกี่กี่อย่างความเกิดเออความเกิดมี4อย่าง อย่างแรกก็คืออันทชโยนินะหรือว่าเกิดอย่างเนี่ยอันทชาอันทชาก็คือนะผู้เจ้าท่านตัดเอาไว้นะในมหาสีหนาสูตรข้อที่169ท่านบอกว่าการเกิดเนี่ยมีสอย่างนะอันทชาเกิดอย่างอันทชานี่ก็คือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น นะเราใดช่ำแรกเปลือกแห่งฟองเกิดนี้เรียกว่าอัญชช ะ, ชะกำเนิดก็เกิดจากไข่นั่นเองนะเกิดจากไข่ช่ำแรกเปลือกออกมาแสดงว่ามีเปลือกหุ้มอยู่นะแล้วก็ชำแรกเปลือกออกมาได้เพานั้สัตว์พวกนี้ถือว่าเป็นพวกอะไรเป็นเป็นเช่นอะไรบ้างอา่าเป็นพวกไก่งูจิงจกอะไรพวกเนี้ยนะสัตว์ที่ ออกลูกมาเป็นไข่พูดง่ายนะอันนี้ถือว่าเป็นอันแรกนี่ถือว่าเป็นพวกพวกสัตว์เดรัจฉานเป็นส่วนใหญ่พวกทวิชาตพวกนกเป็นจํานวนมา ก, ก น, นะแต่บางทีก็ไม่ใช่นกนะออกมาเป็นไข่ก็มีนะอย่างเต่าอะไรพวกนี้จริงจงตุกแกก็ได้อันนี้อย่างที่สองใช่ไหมอย่างที่สองคือชลาพุ ช, ชะนะชลาพุ ช, ชะ คือสัตว์ที่จำแลกไส้เกิดขึ้นมาจำแลกไส้จนะำแลกไส้หรือว่าในนี้เขาวงเล็บว่ามดลูกนะสัตว์ที่เกิดจากมดลูกอันนี้เป็นประเภทไหนน ะ, ะเป็นประเภทคนและพว ก, กวัวควายพวกเลี้ยงลูกด้นมเป็นส่วนใหญ่ น, ะนี่อย่างที่2 อ, อย่างที่3สังเสทิชัสังเสทิฐชันี่ เป็นสัตว์ที่ย่อมเกิดในปลาเน่าในซากศพเน่าในขนมบูดหรือในน้ำครัมในเท่าใครในเท่าใครกรับพวกอะไรของสกปกพวกอะไรต่างๆสามอย่างนี้เนี่ยดูนะให้เราดูนะเกิดเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะรวมทั้งคนไปด้วยนะแล้วก็เป็นพวกนกใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกนอนแมลงหันโอกาสที่ เราจะเกิดหมุนเวียนอยู่ในสามอย่างเนี่ยโอ้โหเออไม่รู้ตั้งกี่ร้อยชาติกี่พันชาติเพราะอย่าเพอ้อไัยแล้วกันเราทำอะไรไม่ดีไว้มากๆเนี่ยนั่นแหละมู้จะไปตกสมพงกับอะไรเนี่ยออดูให้ดีนะเสร็จแล้วอย่างสุดท้ายการเกิดก็คือโอปปาติกะโอปกาติกะกำเนิดผู้เจ้าทัานต์ว่าเทวดา สัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกนี้เราเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดฟังดูนะมีทั้งเทวดาน ะ, ะมีทั้งสัตว์นรกนะมีทั้งมนุษย์แล้วก็พวกเปรต ด, ด้วยนะบอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยเกิดโอปปปาติกะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็หมายถึงทางหมายถึงลักษณะ ข, ของ จิตวิญญาณนะเป็นการเกิดของจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่จะเกิดเป็นสภาพอะไรบ้างสภาพอ่านะเทวดาบ้ า, างสัตว์โรกบ้างมนุษย์บ้างเปรตบ้างอะไรบ้างพวกนี้ต่างๆมนุษย์นี่ก็คือความประเสริฐนะนี่เป็นความเกิด4อย่างเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยผู้เจ้าท่านก็ตัดเอาไว้อีกท่านบอกว่า คนเราเนี่ยพอตายไปแล้วมันจะมีคติอยู่ห้าอย่างที่จะไปนะค น, คนเราเนี่ยคนหรือสัตว์เนี่แหละนะพอตายแล้วเนี่ยมันจะมีทางไปของมันคตินี่ก็คือทางไปนะอยู่ห้าอย่างห้าอย่างก็มีตอนแรกก็คือว่าท่านบอกว่าบอกว่าเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกและปฏิปทาปฏิปท า, าคือข้อปฏิบัติ อันจะยังสัตว์ให้ถึงนรกนะอย่างแรกนะที่ที่จะไปถึงนรกเนี่ยท่านบอกว่ามี5อย่างใช่ไหมคือ1ไปนรก2องไปเนี่ยกำเนิดเป็นสัตว์ดิรกชนันสามไปกําเนิดเป็นเปรต4กําเนิดเป็นมนุษย์5กํากเนิดเป็นเทวดาเสร็จแล้วสรุปเนี่ยสุดท้ายท่านก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ว่าเรารย่อมรู้ชัดซึ่งพระนิพพานทางอัญงสัตว์ให้ถึงพระนิพพานและข้อปฏิบัติอันยญงสัตว์ให้ถึงพระนิพพานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมกระทำํำสัตว์ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เนี่ยคือคือผู้ที่ ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงพันิพานได้นะคือถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยก็ไม่ต้องใบเวียนเกิดใบเวียนเป็นไอนโนนเป็ไปอนี่ไปไอนั่นอะไรอีกนาฬิกินี้ตายแล้วมีทางไป5อย่างีน้ท่านก็บอกว่าท่านเปรียบเทียบคนนี้ท่านเปรียบเทียบท่านอุปมาไว้ว่าเหมือนกับหลุมฐานเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยทานเพลิงปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพินนั้นแหละโดยเส้นทางเพียงสายเดียวบุรุษผู้มีดวงตาเห็นเขาเข้าแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้ขึ้นสู่หนทางอย่างนี้จะไปถึงหลุม ฐานเพิงนี้ทีเดียวนะแล้วก็เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงซึ่งอบายทุกขติวิธิบาตนารกสเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวคือท่านบอกว่ามันมเหมือนกับมีหลุมฐานใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าท่านทำอย่างงี้นะท่านจะตกไปหลุมไอ้ฐานเพิงนี้ชายคนนั้นก็แหมไม่ไปทางอื่นเลย ไปทางเดียวเท่า น, นั้นเองบอกว่าเออทางนี้ก็จะไปถึงไอ้หลุมฐานนี้ใช่ไหมพรา ะ, ะ น, นก็จะไปทางนี้แหละทางเดียวแล้วก็ไปลงหลุมฐานเพลิงนั่นจริงๆแล้วก็ได้รับทุกท ร, รมานนะ่ะตกนรกนั่นเองนะเกิดความเล่าร้อนใจพระเจ้าท่านก็บอกว่านี่แหละท่านก็รู้รู้ใจคนดีว่าบางคนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งที่บอกว่าเนี่ยนรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหลุมฐานเพิงเป็นอย่างนี้นะก็ยังทําอย่างนี้ บางทีก็ห้ามว่าอย่าทํานั่นอยากจะนะห้ามว่าอย่าไปทําถ้าทําแล้วมันจะตกนรกทั้งน้นที่ห้ามว่าทําแล้วมันจะไปตกนรกก็ทำนะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไปเส้นทางอื่นจะไปเส้นทางนี้แหละไปลงนรก<อ>พระเจ้าก็บอกอย่างนี้ก็มีแต่สเสวยนรกเท่านั้นเองนี้ท่านเปรียบไว้อีกว่าตอนนี้เปรียบไว้เหมือนกับหลุมหลุมขี้นะหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดลําดับนั้นบุรุษผู้มีอันความร้อนแผดเผา ครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านเนี่กลล็กเหมือนกันน่ยก็หิวก็หายอะไรต่างๆคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไปตามทางนี้เราจะไปลงหลุมหลุมขี้นี่นะก็ไปตามทางนั้นแหละส่วนคนที่เขาห้ามว่าอย่าไปอย่าไปก็ไม่เชื่อก็ยังจะไปทางทางไอ้หลุมขี้เนี่ยแล้วก็ไปตกหลุมขี้เพรา ะ, ะนนคนคนเหล่าเนี้พระเจ้าท่านก็บอกว่าพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับที่ตะกี้เรื่องพระราชาช้างตกหลุม ตกล ม, ม่ะอ่านะวันพวกเหล่านี้นี่ผู้จ่าท่านบอกว่าเบื้องหน้าแต่กายพอตายแตกนะก็เข้าถึงซึ่งกำเนิดดีราชานเสวยทุกขเวทนาแรงกล้าและก็เผ็ดร้อนก็จะต้องเป็นอยู่งา่าก็ยังทุกนะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง อ, าอย่างแรกเมื่อกี้นี้เปรียบเหมือนกับลุ้นฐานเพลิงนี่คือไปนรกนะอันนี้หลุมขี้อ่าพระราชาเนี่ยแหละ อาจจะว่าพระราชาเนี่ยเป็นลักษณะแบบถ้ายัางมัวเมาในกามในอะไรอยู่เนี่ยนะถ้ายัางลักษณะนี้จะไปกําเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้อย่างที่3ท่านก็นเปรียบว่าเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันไม่สม่ําเสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางหลอมแหลมต้นไม้เนี่ยหลอมแหลมเองมีเงาอันปโปรง่งคือมันไม่ไม่ค่อยมีร่มเงานั่นเองลำดับนั้นบุรุษผู้มีอันความร้อนแผดเผานะ เน็ตเหนื่อ ย, ยหิวก็หาย ก, ก็ทานก็มุ่งไปที่ต้นไม้นั่นแหละโดยเส้นทางเพียงสายเดียวไม่ไปเส้นอื่นเลยคือท่านก็เปรียบอุบมาไปเรื่อยคราวนี้ก็เปียบมันก็คนเนี่ยรุ่มร้อนมาก็คือมีกิเลสนั่นเองคนอย่างกิเลเต็มตัวเสร็จแล้วก็เห็นต้นไม้อยู่ใช่ไหมก็อยากที่จะไปต้นไม้ไอ้ต้นไม้นี่โกรนน่าสงสารเหลือเกินใช่ไหมเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าก็ยังพยายามที่จะ ด, ดิ้นรนไปหาต้นไม้ต้นนี้ ท่านบอกว่าคนที่ทําอย่างเนี้ยนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงซึ่งเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากนะพวกนี้ก็เป็นประเภทพวกเปรตนะพวกจิตวิญญาณที่มันโลภนะมันอยากนะมันอยากที่จะไปต้นไม้เนี่ยนะมีต้นใบอ่อนบ้างมีใบแก่บ้างแต่โอ้โหมันน่าสงสารเหลือเกินงานะจริงๆแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรแต่ไอ้วิญญาณของความเป็นเปรตของของมนุษย์กระตามเนี่ย มันมีความสึกมันโลภมันอยากได้นะอยากมีอนู่นอยากไปนั่นอยากอะไรต่ออะไรเนี่ยมากๆา้นะพ่อก็พยายามดิ้นรนที่จะไปให้ได้แต่จริงๆพอไปถึงแล้วเนี่ยโถต้นไม้มันแทบไม่มีอะไรเลยคือคนที่โลภมากเนี่ยอยากได้มากๆใช่ไหมพยายามทำนู่นทําำนี่อยากได้มากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแทบไม่ได้อะไรเลยคือพอไปถึงต้นไม้นั้นโถต้นไม้โกรธอยู่อย่างเงี้ยคือไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหมือนเรื่องอะไรนะ มาคาบก้อนเนื้อโลภอยากได้ก้อนเนื้อเห็นนึกว่าเงาในน้นํานี่มันก้อนโตกว่าแต่ที่ไหนได้เพราะอ้าปากปับ๊บไอ้ที่ตัวเองคาบอยู่ก็เลยหมดไปเลยเนี่ยเหมือนกับคนคนที่เป็นเปรตเนี่ยนิสัยของเปรตก็คือก็โลภอยากได้อนู่นอยากได้อนี่ไอ้นี่ก็อยากได้ความร่มเย็นแต่ที่ไหนได้เห็นต้นไม้อยู่ข้างหน้าเนี่ยพยายามไปแต่ต้นไม้เนี่ยมันแทบจะบังหรือว่าให้ร่มเงาอะไรไม่ได้เลย ท่านก็เปรียบต่อไปว่า น, นี้เปรียบเหมือนกับต้นไม้นะเกิดในพื้นที่อันอันสม่ำเสมอก็คือพื้นที่ราบเรียบนั่นเองมีใบอ่อนและใบแก่อันหนาทึบลําดับนั้นบุรุษผู้มีความร้อนแผดเผาคอบงําเหน็ดเหนื่อยสตกทานหิวกระหายนะก็พยายามมุ่งไปที่ไอต้นไม้นี่นะด้วยเส้นทางสายเดียวบุรุษบุรุษนี้ปฏิบัติอย่างนั้น ดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนี้จนกระทั่งมาถึงต้นไม้นั้นได้ทีเดียวนะเบื้องหน้าแต่กายพระตายแตกเขาย่อมไปอุบัติแล้วในหมู่มนุษย์สเสวยสุขเวทนาไปอันมากคือคือพระเจ้าทัาบอกว่าเออถ้าอย่างเี้ยนะถ้าปฏิบัติเพื่อง่ายว่าทำถือศีลปฏิบัติธรรมพยายามทำไปในทางเส้นทางที่มันเป็นมรรคเป็นผลอย่างเนี้ย นะก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะก็คือศีลก็คือธรรมะนั่นเองพยายามทําไปแล้วเนี่ยในที่สุดก็จะได้ร่มเงาที่ร่มเงาไม้ที่ร่มเย็นเนี่ยทำให้คลายร้อนทําให้คลายความเหน็ดเหนื่อยได้ <c oughs> ท่านก็แค่เปรียบมาเรื่อยเปรียบมาเรื่อย้คติต่างๆเนี่ยที่คนเราเนี่ยตายแล้วจะไปเป็นอะไรซึ่งจริงๆแต่และอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลุมทางเพิง นะทั้งกเปรียบเหมือนกับกิเลสห ย, ยาบหยาบสักยะทิฐิตัวห ย, ยาบหยาบนะโอ้โหเรื่องกามเรื่องราคะจัดจ้านนะเรื่องโทสะรุนแรงอะไรพวกเนี้ยนะก็คือไอ้เปรียบเหมือนกับโอ้โหฐานเพลิงนั่นเองนั้นะนรกชัดๆเลยนะ้ใครที่จะแบบเลวสามมากๆอ่ะในยุคไหนก็ตามนะ้อย่างเช่นเนี้ยถึงขั้นฆ่าแกงเขาถึงขั้นแบบว่ารุนแรง นะทําร้ายเขาทางกายเลยอะไรอย่างนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะทางกามไม่ว่าจะทางโทสะก็ตามนะตอนนี้เปรียบเหมือนกับหลุม อ, อ, อันแรกเนี่ยเปรียบทางโทสะเนี่ยมากนะทำร้ายคนอื่นเขาในทางโทสะแต่พอเปรียบเหมือนหลุมขี้นี่มาในเรื่องของกามแล้วเนี่ยเทียนเปรียบเหมือนกับหลุมขี้เนี่ยเปรีย บ, บเรื่องพวกเรื่องกามกามยังหยาบการ์มยังจัดจ้านกามยังจัดใครไปตกหลุมขี้ก็เหม็นอยู่อย่างนั้นแหละ เอาถัดมาเป็นอะไรนะเป็นต้นไม้โขนโขนอา่าอันนี้เปียบพวกอะไรพวกเปรืใช่ไหมเอ่อเปรียกกับพวกเปรืนะนึกนึกซินึกออกไหมเนี่ยมาอย่างนึกไม่ออกนะเปรืพวกกินไม่รู้จักพอเอ่อเปรียบเหมือนอะไรนะปากเปรืนี่ปากปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาเอา่นแะล้วต้นไม้แห้ง ก็คือต้นมีแต่ต้นมีแต่กิ่งนะใบไม่ค่อยจะมีละมีแค่ใบอ่อนกับมีแค่ใบแก่หลอมแหลมมีแค่ใบอ่อนกับมีแค่ใบแก่หลอมแหลมคือมีแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะเพรยิ่งมีน้อยก็ยิ่งอยากได้มาก่ยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากได้มากเท่านั้นแล้วก็เปรียบต่อมาเปรียบต้นไม้คลึมใช่ไหมตอนนี้ดกแล้วอันนี้เปรียบอะไรนะอ๋อเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้มากที่สุดมาเป็นผู้ประเสริฐนะเปรียบเหมือนกับว่ามีใบมีดอกมีผลมีอะไรสมบูรณ์หมดนะก็เหมือนกับสภาวะจิตเราที่จิตเราเกิดกุศลจิตเราเกิดศีล เ, เกิดธรรมที่เราเนี่ยพยายามจะประพฤติปฏิบัติเพราะว่ามีสภาวะมนุษย์เท่านั้นแนหะที่ จะไปบรรลุธรรมได้สภาวะอื่นเนี่ยยากนะคือสภาวะอื่นเนี่ยต้องย้อนมาหาสภาวะมนุษยส์สภาวะความประเสริฐแล้วถึงจะค่อยบรรลุธรรมถ้าตรงนี้ก็เหมือนกับอยู่ตรงกลางตรงกลาง น, นะนะอยู่ตรงกลางระหว่างความต่ำกับความสูงในลักษณะที่ ที่เป็นเทวดาเนะีเพราะว่าอันต่อไปนี่ขึ้นไปบนปราสาทใช่ไหมไปเป็นเทวดานี่ก็นะ่ติดอะไรติดความสบายติดสุขนะเป็นเทพนิกายใดนี่กายหนึ่งนะเป็นเมถุนสังโยชน์ยังไปติดความสบายเพราะาติดความสบายเนี่ยโอกาสจะบรรลุธรรมสูงกว่า น, นั้นนี่มันยากเพราะว่ามันจะทิ้งไม่ได้ไม่กล้าทิ้งไม่กล้าทิ้งสุขกลัวว่าทิ้งสุขแล้วจะเจอทุก เมื่อกลัวว่าทิ้งสุขจะเก จ, ะเจอทุกข์ก็เลยไม่กล้าทิ้งสุขก็เลยประคองสุขเอาไว้ยึดสุขเอาไว้เมื่อยึดสุขเอาไว้ก็เลยไม่ได้อาทุกกขมาสุขก็คือไม่ได้ที่มันจะไม่ทั้งสุขทั้งไม่ทั้งทุกขใช่ไหมจิตมันก็เลยไม่ได้ตัวนิพพานตัวนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทวดานี่ก็เลยสภาวะจิตอย่างนี้ก็ยังพ้นมาไม่ได้ก็ติดอยู่บนปาะสาดนั่นแหละ นะลงจากภาษามาไม่ได้สักทีจนสุดท้ายท่านก็เปรียบเหมือนกับสระน้ำเนี่ยนะสระน้ำที่ใสสะอาดไม่มีขุนไม่มีมัวเพราะฉะนั้นแล้วก็ปรากฏว่านะท่านเปรียบเหมือนกับนิพพานแล้วก้อนนี้ใสสะอาดกิเลสแตะต้องไม่ได้แนละ้วจับไม่ติดแล้วเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตนะก็คงจะสรุปลงแค่นี้นะ